สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องเป็นมงคลและเรื่องพระนี่นะทีนี้พอจะพูดถึงเรื่องของพระกุญเจ้า แล้วก็ไปแสดงออกหรือว่าทําอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะทําร้ายทําลายผู้ที่ตัวอิจฉาความอิจฉากับความริษยานี่มันมาคู่กันเสมอถ้ามันอิจฉาเฉยๆก็ยังชั่วหน่อยแต่ว่าแค่เกิดความอยาก ังรอนรุ่มธุรนทุรายทั้งหาความสงบสุขไม่ได้อยากจะเห็นเขาจิบหายไว์วอดไปเสื้อบัตินี้เดี๋ยวนี้พอหาทางทําอะไรเขาไม่ได้ก็ยิ่งร้อนเร้านักเข้าอีกอันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความโงกเขาของตัวโดยแท่เพราะมันเป็นความทุกข์ที่วางอยู่ภายนอกกายนอกใจตัวเองมันอยู่เขามันเช่เๆไม่ได้ข้อ้องเกี่ยวกับไครแต่ไปหยิบเอามันมาใส่เข้าไปให้ตัวเองนะะ ให้มันเกิดความรุ่มร้อนทุรนทุรายแล้ว ก็รีบปล่อยรีบวางซะใครที่ยังโง่ ไอ้ความดีตัวเองอยากมีอยากได้เหมือนกับคนอื่นพอเห็นเค้ามีเค้า เนนลูกศิษย์ชื่อวิริยังอ่าอาจารย์วิริยังอ่ะครับปัจจุบันอยู่ท่านเจ้าเป็นพระธรรมยุตสายปฏิบัติมีความเคร่งครัดงด ความนิยมยกย่องที่กว้างไกลก็เกิด ภาวนากรรมฐานอีกเยอะเมื่อพระอาจารย์กงมากลาย ราวหาพระอาจารย์คงมาว่ากระทําผิดเพี้ยน แทนที่พระองค์จะทรงบัญชาสั่ง แล้วพระองค์ก็ไม่ฉันพระอาจารย์กงมาก็จัดเตรียมถวายไว้ด้วยพระ การสะพายบาดเอาไว้ด้านหน้าก็เป็นที่ ซึ่งการเทศเนี่ยพระสังฆราชจะเป็นองค์แสดงคือเป็นองค์เทศเมื่อถึงฟังสังฆราชเทศพอถึงเวลาแสดง พระอาจารย์กงมาก็จําเป็นต้องไปที่ศาลาแล้วแจ้งให้ประชาชนทราบว่า นึกไม่ถึงว่าจะมาเจอๆศาลานั่นเองแสดงว่าพระองค์มา เหตุเก่งกว่าประเรียน 9 ประโยคในกรุงเทพฯเสีย แม้แต่เนนวิริยังก็ยังไม่อนุญาตให้ไปด้วยพระอาจารย์กงมาก็น้อมรับพระประสงค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็แบกปลดสบายบาทด้วยพระองค์เองพระอาจารย์กงมาก็ ถึงเวลาเย็นย่ำสนธยาก็หยุดพักปักปลดรุกขมูลใต้ต้นไม้ ยิ่งทราบว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า วันหนึ่งพระอาจารย์กงมาก็ไปพักปักกลดที่ พระทั้งที่ก็ฝนตกเหมือนกันเห็นพระอาจารย์คงมาไม่เปียกฝนเลยอ่า ทำความก็จัดถามว่ากุฏิที่พักของสมเด็จเนนขอถามหน่อยเถอะคาถากันเออ เมื่อเวลาฝนตกต้องเก็บบริขารทั้งเออถึงได้ไม่เปียก การทุดงของท่านกงมาและพระปฏิบัติกรรมฐานนี้ คือหลวงปู่กงมาจิระปุญโญ 6 พฤศจิกายนปี 2443 เอากี่ ท่านเกิดขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อ่าวันเพ็ญร้อยกระทงพอดีเลยคน 6 คนโดยกันอาชีพที่ ได้กำหนดคลอดก็ต้องมาเสียชีวิต ที่เป็นวัดไกลบ้านเกิดของท่านจะอยู่ได้ พระอาจารย์ที่มีปฏิปทาดีเหลือเกินแล้วก็ชอบอกชอบใจในคําสอนของอาจารย์เสนด้วยนะก็ถามข่าวหลวงปู่มั่นได้รับธรรมบอกเล่าว่าหลวงปู่มั่นเวลานี้อยู่บ้าน 3 ผงอําเภอวานนอนนิวัฒน์สกลนครหลวงปู่คงมา ฝากตัวขอ 2469 การปฏิบัติภาวนา 2471 คือหลวงไปอยู่ 3 ปีหลวงปู่มั่นก็ใช้ให้ 2 องค์คือหลวงปู่กงมากับท่านพ่อลีเนี่ยอง เป็นภะธรรมยุตต์แล้วหลวงปู่กง ท่านเป็นพระผู้มีความเคารพนอบน้อมในอาจาโรหลวงปู่อ่อนญาณสิริหลวงปู่ เช่นพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลซอย 101 สุขุมวิทกรุงเทพฯนะครับหลวงปู่กงมาท่านเป็นนักปฏิบัติที่เอาชีวิตเข้าเดิมพันเอาความตายเข้าแลกแลกกับความดีทั้งปวงท่านเคยนั่งสมาธิกลางป่าจน ท่านก็บอกว่าเจ้ายุงเนี่ยแม้ว่าตัวมันจะเล็กแต่มันก็มีพิษ เมื่อนั่งสมาติแล้วห Lebenurs. เท่ aqueleคนมาดนนั้น時候 이케 unhappy. double clock i party how do you believe your thread kol ponieważ and then? шиб screens in the public and naturale and seriously it is a thing. ถ выш ngo Bangs and Frustral changing you, ไม่اح quindi fazia alla Daisuke Conservative總 han to go down in front more Xing, Events or do you feel comfortable still on the track swing to back? Of course when he he said, ennhan arrow กิเลสเนี่ยมันทําให้เราตายจนนับภพนับชาติไม่ท้วน เพราะความเป็นผู้มีธรรมะเป็นเอ่อ มาให้แก่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเกียรติประวัติและ พูดถึงพระภิกษุเก่งๆเนี่ยนะสมัยพุทธกาลๆอยู่หลายรูปด้วยกันอย่างเช่นพระมหาโมคคลานี่ท่านเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระ วันหนึ่งท่านลงมาบินทบาทในเมืองก็พระชื่อพระลักขณธิระตอนที่ท่านเดินลงมาเนี่ย 2 ตัวที่เชิงเขากิชกุฏตัวนึงมีหัวเหมือนคนแต่ว่าลำตัวเหมือนงูสูงๆงู อีกตัวนึงตัวสูงโยงเหมือนกันลิ้นยาวๆนกกาเค้าเรียกว่ากากับ ท่านก็ถามถึงเวรกรรมที่กากับเปรตได้สร้างธรรมเอาไว้ องค์ปัจจุบันนี้พระโคตมะโคดมอันนั้นสมัยพุทธเจ้ากัสสปกากับเปรตบอกว่าการกระทํากรรมเพียงแค่ เคยแต่ว่าท่านไม่ได้เล่าให้ใครฟังมาก่อนพระโมคคัลลาแต่ว่าท่านไม่ได้ คือไปเห็นไปรู้ซึ่งไม่มีๆแล้วเนี่ยจะขาดจากความเป็นพระไปเลย กิตกุณีมุ่งแต่จะทำนาอย่าง ถึงเวลาเค้าก็เอาดอกไม้ธูปเทียนพระปัจเจกกับพุทธเจ้ารูปนั้นพอถึงเวลาท่านก็มาได้รับฟังธรรมะกันเป็นประจำก็เดินกันอยู่ ทีนี้แกก็คิดขึ้นว่าเออทําไมตัดต้นตอเสียนาเรานี่คงพังเสียหายหมดไว้อย่างนั้นแกคิด อ่าเจ้าบ้านก็มาดูว่าท่านหายไปไหนมาถึงเห็นศาลาถูกเผาหมดแล้วก็เสียเนี่ยนายชาวนาคนอ่าข้าอ่ะเป็น ก็สิ้นเสียงเชาหน้าก็สิ้นใหญ่เพราะมหาชนก็พากันรุมทอดพระปาสามาคีย์จงก็ตั้งเล่เลยก็ตายแล้วก็ไปเกิดในนารกอเวจีย์เป็นอา浩ีเปริตตั้งแต่บัดนั้นยังมีคนหนึ่งที่ตายแล้วต้องไปเป็นเปริตสวยทุก อ่าคือดีดก้อนกรวดให้เป็นอ่า วันๆแกไปนั่งใต้ต้นไม้ดีดก้อนกรวดใส่ใบไม้แลกอาหารกินเด็กๆก็ชอบแกเข้าไปห้อมล้อมเสร็จแล้วก็มี จึงกระทั่งเรื่องไปเข้าหูพระราชาครับพระองค์ก็รับสั่งให้อี ทีนี้ไอ้หน้าที่แม้ขนาดดีดใส่ใบไม้ให้เป็น อ่าให้คนทำช่องไว้สำหรับดีกขี้แพะเวลาประชุมคนไหนพูดมากพออ้าปากเออปาก ที่ปรึกษาที่ชอบๆมากมายให้กับ แกก็ยังไม่สอนให้กลัวว่าจะเอาไปมาคอยบีบคอยนวดให้ตลอดเวลาแก อาจรรรณ์ง่อยก็บอกว่าเว่ย gettable อย Wit ไปทำอย่างนั้นไม่ได้น่ะมันบาบกร้มแล้วยังมีความผิดอีกอย่าไปทำยังนั้นนะอายเจ้า деньги ลุกศิตรรićนอกรู้นิด ไม่เชื่อα เพียวไปในที่ต่างต่างไปเห็นแม่โคตัวนึงก็ยังไม่ดีดเพราะคิดว่ามันมีเจ้าของอ่ะมีเจ้าของไปดีดเจ้าหัว เดี๋ยวพ่อแม่มันก็ซื้อบ่เฉพาะเดินไปพบพระปัจเจกพุทธเจ้าไปเอพระนี่สิไม่มีเจ้าเข้าไปหูขวาทะลุหู อ่าพอไปเจอกับพุทธเจ้าองค์นั้นโดนกรวดดีดฝ่ายญาติโยมที่รอใส่บาตรไม่เห็นท่านมาสัก กรวดไซพระจนกระทั่งมรณภาพเนี่ยเห็นประชาชนพากันไปที่ศาลาก็เอะใจว่าเค้าไปทําไมกันนะเค้าเดินตามเข้าไปด้วยก็เห็น พอตายแล้วก็เกิดเป็นเปรต 3 ขาวุฒหรือว่า 300 เส้นเนี่ยถูกค้อน คือคนชั่วน่ะยิ่งมีความครับนั่น ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทําบุญกับอาจารย์ยอดในการ 084 643 8770 ครับครับ